Thank you. วันนี้พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใ จ, จกันมาเพื่อมาบาเพ็ญกิจอันเป็นหน้าที่นที่พึงมีต่ออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งหลายท่านนับถือเป็นกรยียนนมิตรนับเห็นนับถือเป็นครูบาอาจารย์ตลอดช่วงเวลา40ปีของท่านอาจารย์กาพลท่านได้บาเพ็ญตนเป็นครูมาตลอด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 อาจัรพลได้เปิดทางสว่างให้กับผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นมืดมิดได้ชี้ทางแห่งการออกจากทุกข์สำหรับผู้คนที่อดอะไรตายยากกับชีวิตหรือว่ายอมจำนนกับปัญหาท่านได้สร้างความหวังหรือปลุกความหวังให้เกิดขึ้นกับผู้ที่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 บุคคลเหล่านี้มีมากมายนับไม่ถ้วนทั้งพระทั้งแม่ชีและญาติโยมพวกเราทั้งหลายในที่นี้อาตมาเชื่อว่าเรียกอาจารย์กําพลว่าอาจารย์อย่างเต็มปากเต็มคาไม่ใช่เพราะว่าท่านเคยเป็นครูสอนวิชาภละในโรงเรียนที่นครสวรรค์แต่ว่าเพราะถือว่าท่านเป็นอาจารย์ทางธรรม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 คำพูดไม่กี่ไม่กี่คำนี่แหละนะที่สามารถจะให้แง่คิดอะไรต่างๆกับเรามากมายคำ ว, ว่าอาจารย์ทางธรรมตลาดอาจารย์กําพลแล้วเนี่ยมันมีความหมายน้อยน้อยกว่าคำ ว, ว่าอุปกรณ์สอนธรรมหรืออุปกรณ์แห่งพระธรรมคำ ว, ว่าอุปกรณ์สอนธรรมเนี่ยนะหมายความว่าอย่างไรเราได้เห็นธรรมะอะไรบ้าง จากชีวิตและการดมรงอยู่ขอจากอรกําพลอาตมาคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือท่านได้สอนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงหรืออนันดิจังชีวิตท่านเป็นแบบอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารจากครูวัย24ที่มีอนาคตสดใสวันดีคืนดีก็กลายเป็นผู้พิการ ที่แผนการทั้งอยากทั้งหลายในอนาคตที่ได้วางเอาไว้ต้องยกเลิกจนหมดสิน้นไม่ไว่าจะเป็นการแต่งงานการบวชหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างอาจารย์หรืออย่างแม้กระทั่งปุถุชนทั่วไปจากคนที่มีความหวังมีอนาคตสดใสก็กลายเป็นคนที่อนาคตดับบุ่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 ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วผู้คนมักจะไม่ตระหนักว่าความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถึงแม้จะไม่ตระหนักอย่างน้อยก็เพิ่งระลึกว่าความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ได้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 เพียงแต่ว่ามันรอที่จะแสดงตัวออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนสั่นั้นเองในกรณียังพลนั้นมันเกิดขึ้นแณนที่ท่านอายุี่สิบสี่แต่สำหรับพวกเรามันหนักจะแสดงตัวในวันข้างหน้าจะเป็นเมื่อไหรไม่ทราบนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะเมื่อเราได้เรียนรู้อยู่กับอาจารย์กำพล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 เพราะท่นได้ตระหนักว่าทีพิการนั้นเนี่ยมันพิการแต่กายแต่จใจไม่ได้พิการด้วยหลงคิดเส้นานานว่าเราพิการเราพิการการปฏิบัติธรรมทําให้อาจารย์กำผลได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิการแต่กายความทุกข์บางอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรวมทั้งต้องประสบความพัดพลาดด้วยนี่เป็นความทุกข์ที่แม้กระทั่ง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 ก็ยังหาสุขพบเพราะที่จริงสุขนั้นก็อยู่ท่ามกลางความทุกข์นั่นแหละท่ามกลางร่างกายที่ทุกข์พอป่วยพอพิการแต่ความสุขใจก็สามารถเกิดขึ้นได้หมองง่ายๆหนึ่งความทุกข์ทาให้ท่านเข้าหาธรรมถ้าท่านไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พิการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านก็จะเหมือนครูทั่วๆไปจบกเกษียณ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 ดยเห็นนี้ท่านจึงมีความสุขยิ่งกว่าคนมากมายที่มีสุขภาพดีมีอาการครบสามสิบสองจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทุกข์เท่านั้นที่พาให้อาจารย์กัพลเขาหาธรรมแต่ทุกนั่นแหละนะที่เป็นวัตถุ ด, ดีอย่างดีที่ทำให้ได้ท่านได้เห็นธรรมจานทร์กัพลเคยพูดว่า ต้องขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์และทําให้เห็นทางออกจากทุกข์ทุกข์นั้นมันไม่ได้เป็นหน้าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ผลักไสเราให้เข้าหาธรรมข้อดีของความทุกข์อย่างหนก็คือมันคือธรรมตัวมันเองคือธรรมที่ถ้าหกเราเราเข้าใจเราเห็นเราก็จะออกจากทุกข์ได้เยี่ยนนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือกําหนดรู้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 ควาบงท่านเนี่ยมีความหมายกว้างนะคือการเข้าใจหรือการเห็นความจริงของชีวิตพนระามจริงชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยแต่เพาเพาะความทุกข์นั่นแหละที่ทำให้เป็นเพพาะความหลงนั่นแหละที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และทุกข์ในที่นี้เนี่ยก็คือความทุกข์ใจส่วนความทุกข์กายนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้เพีวยงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้น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 หรืออาจจะไม่มีชีวิตจนถึงป่านนี้ก็ได้หลวงพ่อคำเขียนเองนะถ้าเคยพูว่าถ้าท่านได้ไม่ถ้าท่านไม่ได้มาทางนี้คือมาทางธรรมนะถ้าคงจะอายุสั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ทาอะไรเนี่ยนะต้องทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะทาอะไรต้องไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นต้องให้ดีกวคนอื่นจึงจะไม่ได้ความเครียด เต็มไปด้วยแล้วก็เจอโรคภัยแค่เจ็บแต่เป็นเพราะทำเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถจะนำพาชีวิตจิตใจเนี่ยออกจากความทุกข์ได้ใครที่ได้รู้จักได้สนทนากับอาจ า, กการย์กําพลอาตมาเชื่อว่าจะมีความมั่นใจนะว่าธรรมเนี่ยสามารถจะช่วยทาให้ออกจากทุกข์ได้รวมทั้งรู้จักช่วยโอกาสจากความทุกข์นั้นเนี่ย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 คือความรู้สึกตัวสติอันนี้เป็นธรรมที่มีพลานุภาพมากที่ทำให้ถอนจิตออกจากความทุกข์ได้เพราะความรู้สึกตัวเนี่ยช่วยรักษาใจให้เห็นไม่เข้าไปเป็นให้เพียงแค่ดูนะไม่เข้าไปอยู่กับความทุกข์และเพราะการเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนั่นแหละจึงทาให้เห็นความจริงเห็นธรรมะ แล่เมื่อเห็นธรรมอย่างลึกซึ้งนะก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้ถ้าเราเรียนจากจังกาพลถึงเวลาเราป่วยเราก็จะป่วยเป็นไม่ป่วยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อถึงข้าป่วยก็ป่วยเป็นก็คือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยป่วยอย่างไรใจก็ไม่ทุกข์อันนี้เป็นตั้งความหวัง ที่ให้กำลังใจเราแล้วก็เป็นสิ่งท้าทายด้วยว่าเราจะทำได้ไหมแต่ถ้าเราทำไม่ได้นะความทุกข์ก็รอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วหรืออาจจะ ก, กำลังครอบงาย่ํายี่ยเราอยู่ในขณะนี้ก็ได้อุปกรณ์สอนธรรมในความหมายของจักรพนัตมาช่วยวยังหมายถึงความจริงที่ว่าแม้แต่คารวะเองก็สามารถจะเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมได้ ธรรมะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จากัดเฉพาะบรรพชิตนะแม้กระทั่งครือรัดผู้ครองเรือนนะแค่ถือศีลห้าก็สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะว่าธรรมะนั้นไม่ได้จํากัดกับคนบางกลุ่มบางประเภทเท่านั้นเมื่อกี้เราได้สวดนะอภิธรรมมีข้อความหนึ่งว่าเนี่ยผู้ควรแก่มรคนิพพาน และผู้ไม่ควรแก่มรคนิพพานผู้ควรแก่มรคนิพพานนั้นเนี่ยไม่จำไป็นต้องเป็นพระนุ่งเหลืองหรือข่มขาวเท่านั้นจะเป็นหญิงหรือชายเป็นเครื่อไคราว่าก็เป็นได้เพราะความเป็นพระแท้จริงเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมภายในในชาวพุทธกาลเนี่ยมีอมตท่านหนึ่งนะชื่อสันตติอมตะ เป็นคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยเอาแต่อยู่กับโลกและวันหนึ่งก็มีโชคเพราะว่าได้มีโอกาสครองราชอยู่เจ็ดวันพนะระเจ้าปเาสนทิโกศลบำเน็ตคุณงามความดีให้เป็นพระราชาอยู่เจ็ดวันแทนที่จะใช้โอกาสนั้นนะ ทำความดีสร้างประโยชน์กับมหาชนก็เอาแต่สนุกสนานมีการเสดมีการบันเทิงเริ ง, งมรมมหัศรสพความบันเทิงตลอดเจดวันเจดคืนจนกระทั่งหญิงฟ้อนลำคนหนึ่งที่เป็นที่โปรดปรานก็เสียเสียชีวิตนะตายคาที่เลยนะเพราะว่าเหนื่อยมากตอนตะเยมมาเสียใจมาก ไม่รู้ว่าอะไรจะบรรเทาความเศร้าโศกได้ก็จึงไปไปหาพระเจ้าร้อยวันทันตีไม่เคยไปแต่เมื่อมีความทุกข์จึงต้องไปเฝ้าพระองค์พระองค์ ก, ก็แสดงธรรมให้เห็นเลยถึงความทุกข์ของความพัดพลากว่ามันเป็นธรรมดาน้ำตาที่สูญเสียว่าความพัดพลาดนี่ชาิแล้วชาิเล่านี่มันเท่ากับมหาสมุทรทีเดียวแล้วก็ได้ชี้เห็นว่า ไม่ควรยึดมั่งถือมั่งกับอะไรกิเลสแล้วก็ให้ความวังว่ากิเลส ท, ที่เคยมีเคยเคยครอบงาใจก็ขอให้ละแล้วก็อย่าให้มีกิเลสใดหลงเหลืออยู่แล้วเตรียมมาพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่คงเป็นเพราะว่าได้เหนื่อยล้ากับการบันเทิงเรมงรมากนะก็ถึงแก่การเสียชีวิต ในเวลาไม่นานในวันนั้นพระสงฆ์ก็ได้สอบถามพระเรเจ้าว่าจะถือว่าสันสติอามาตนั้นเนี่ยเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นสมณนะพระวท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระเป็นพระอรหรันต์ขาที่เป็นคารวะแต่พระสงฆ์ก็สงสัยว่าจะเรียกท่านว่าอะไรพุะจ้าก็จัดว่า ว่าให้เล็กทมาเป็นสมณะโดยการตัดเป็นข้อความว่าบุคคลแม้ประดับประดาประดับประดาหมายว่าแต่งมีเครื่องประดับประดาร่างกายแต่ประพฤติตนสม่ำเสมอเป็นผู้สงบเป็นผู้เที่ยงธรรมปฏิบัติอย่างประเสริฐวางอาทยาในสัตว์ทั้งหลายท่านผู้นั้นเรียกว่าเป็นพรามเป็นสมณะเป็นภิกษุ คำว่าสงในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้ที่ห่มเหลืองแต่หมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนะเป็นพารียบคลจะเป็นภิกษุจะเป็นคฤือขัดก็ถือว่าเป็นสง์ในพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราได้พิจารณาถึง ชีวิตในแบบอย่างพระจังกรรมผลก็ขอให้เราได้ตระหนักว่าความเป็นสมณะความเป็นภิกษุนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องเรื่องหกและการเข้าถึงธรรมนั้นก็อยู่ในวิสัยของทุกผู้คนได้หืองพ่ออมเขียนได้เขียนในจดหมายจังอาจารย์รมพลว่าตราบใดที่แม้ที่การแต่แต่ที่ยังมีความสึกตัวอยู่ก็ถือว่ามีหนอแห่งพุทธะและหน่อยพุทธานั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะบำรุงเลี้ยงให้งอกงามจนเป็นโพต้นใหญ่หรือว่านำไปสู่การตัดสรู้ได้อันนี้ก็เป็นธรรมะที่เราพึงจะได้สดับรับรูบรนะ้เมื่อเราได้มาศึกษาธรรมกับการกำรผลเพราะนันนี่ยคอยเราได้นะ พิจารณาและอาศัยประโยชน์จากอุปกรณ์สอนธรรมซึ่งบัด น, นี้นะก็ได้มาทอดร่างอยู่ข้างหน้าเราแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดหรือยุติในการสอนธรรมแม้หมดลมแล้วจางกระเพก็ยังสอนธรรมนะด้วยสังขารของท่านว่าถึงสุดแล้ว ก็ต้องตายจุดหมายปลายทางก็คือเชิงตะกอนก็ขอให้เราได้นะจาจรณาธรรมที่ท่านกำลังได้แสดงให้กับเราอยู่เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเนี่ยบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติธรรมตอนที่อาจารย์กันได้รู้ว่าท่านเองกำลังอยู่ในเวลาสุดท้ายเนะพราะโรคร้าย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 เพราะว่าใครๆก็เป็นได้ทั้งนั้นประการที่สองคือยอมรับความเป็นไปเมื่อรวดตัวเองเป็นโรคร้ายและพยายามรักษาเยียวยาแต่ถ้ามันไม่หายเราก็มารุก้ามมากขึ้นความเป็นไปอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับเมื่อรักษาแล้วไม่หายก็ยอมรับว่ามันไม่หายแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความตายเป็นเบื้องหน้า สุดท้ายคือยอมรับความตายเมื่อความตายมาถึงนะก็ไม่ต้องตีโพยตีพายนะยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นกุญแจที่ช่วยปลดเปลื้องใจออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะดิน้นรนต่อสู้ขัดขืน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 ถ้ารักตัวเองนะก็อย่าซ้ำเติมตัวเองถ้าจะทุกข์ก็ให้ทุกข์อย่างเดียวคือทุกข์กายอย่าให้ทุกข์ใจด้วยและถ้าชลากันนั้นก็อย่าทุกข์กายฟรีๆอาศัยความทุกข์กายนั่นแหละมาเป็นวัตถุสอนธรรมจริงๆอุปกรณ์สอนธรรมนะียมันมีอยู่กับเราทุกคนแล้วละ่ะความเจ็บความป่วยในตัวเราในร่างกายของเรานะี่คืออุปกรณ์สอนธรรม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 ขอเพียงแต่เราเอาคําสอนพองอาจารย์กำพลและครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเอามาเป็นเครื่องเตือนใจวันนี้เรามาทําหน้าที่ต่อศรีระของท่านอาจารย์กำพลแต่หน้าที่ต่อคําสอนของท่านยังมีอยู่ก็ขอให้เราได้ช่วยกันบําเพ็ญหน้าที่ทั้งสองประการให้ครบถ้วนหลังจากวันนี้ไปเมื่อภารกิจต่อ สรีละของท่านก็เป็นอนุตตแต่ว่าหน้าที่ต่อคาสอนของท่านยังมีอยู่และรอการรอความตั้งใจความภาพเพียงพยายามของเราก็หวังว่าทุกท่านจะได้นะเกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักได้มาสัมผัสกับท่านอาจารย์กำพล ให้ช่วงเวลาที่เราได้เคยอยู่กับท่านได้พบปะสนดา a กับท่านมีความหมายยั่งยืนต่อไปในอนาคตอย่าให้ยุติเพียงแค่ไปพืพร้อมกับการสิ้นลมของท่านมาก็ได้กล่าวทำบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติในเพียงเท่า น, นี้ขอจริญพร